รู้ก่อนผู้สแสวงสันติอวรบทผู้ที่จะทำงานใหญ่นั้นจะต้องมีผู้ช่วยที่ดีและผู้ช่วยที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการเช่นเป็นผู้รู้ใจนายของตนสนองงานได้สมความต้องการทันต่อเวลาต่อเหตุการให้กำลังใจแก่นายของตนในการที่ควรให้โดยเฉพาะในเวลาที่การงานสำเร็จลงด้วยดีปลอบประโลมใจเมื่อพลังพลาด หรือยามทุกยามผิดหวังร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการงานที่ชอบทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกันและรับช่วงงานได้เมื่อนายวางมือพระมหาโมคลานะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของผู้ช่วยที่ดีเลิศของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังเรื่องต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระทับอยู่ณนะอามลกีวันใกล้บ้านจตุมา สมัยนั้นภิกษุประมาณห้าร้อยรูปมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าไปถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าผู้มีพระภาคภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิน่นจัดเสนาสะนะเก็บบาตรและจีวรมีเสียงดังพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระอานนท์มาถามว่าดูก่อนอนทน์ผู้ที่เสียงดังนั้นเป็นใครเรากับชาวประมงแย่งปลากัน พระอนนท์กราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุประมาณห้าร้อยนั้นมีพระสารีบุตรและพระโมคลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจจตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค พ, พิสุเหล่านั้นปราศัยกับพิสุเจ้าถิน่นจัดเสนาสนะมีเสียงดังดูก่อนอนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกพวกพิสุมาตามคำขอของเราพระอนนท์ทูลรับคำ แล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่พักได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุไรพวกเธอจึงพูดเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากัน พวกพิสุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสษุประมาณห้ารอมาถึงจตุมคขามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคปราศัยกับพิสุเจ้าถิ่นจัดเสนาสะนะเก็บบาตรและจีวรจึงมีเสียงดังพระเจ้าข้าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงพากันไปเราประนามพวกเธอพวกเธอไม่คว้นอยู่ในสำนักเราพิสษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณเก็บอาสนะถือบาทและจีวร อ, ออกไปสมัยนั้นพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยู่ที่เรือนรับแขกด้วยกรณียะบางอย่างเห็นภิกษุเหล่านั้นมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุ แล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะพากันไปไหนเล่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสุสงถูกพระผู้มีพระภาคประนามแล้วข้าแต่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ครู่หนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอาจให้พระผู้มีพระภาคทรงอดโทษได้พิสุเหล่านั้นรับคําพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาแล้วพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมา เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบั ง, บงคมแล้วนั่งณที่ควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์เถิดขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัด น, นี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ในการก่อนเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุสองหมู่นี้เป็นภิกษุผู้บวชใหม่เพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคจะมีความน้อยใจมีความแปรปวนไปเปรียบเหมือนพืชที่ยังอ่อนไม่ได้น้ำจะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปลไปหรือเปรียบเหมือนเมื่อลูกโค อ, อ่อนไม่เห็นแม่จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปลไปฉันใดภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้น พึงมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงชื่นชมกับพิสุสงเ์เถิดขอจงรับสั่งกับพิสุสง์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์พิสุสง์เหมือนที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์พิสุสง์ในการก่อนเถิดครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรมทราบพระพุทธดําริแห่งพระทัยของพระผู้มีพระภาคจึงหายตัวจากโพรมโลก มาปรากฏตรงพระพักของพระพุทธองค์แล้วประนมอัญชลีกราบทูนวิงบอลให้พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งกับพระพิสุสงฆ์โดยเปรียบด้วยเข้ากล้าอ่อนและเปรียบพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายด้วยลูกโคอ่อนเช่นเดียวกับที่เจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาได้เปรียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยในคำวิงบอลของเจ้าสักยะและเท้าสหัมบดีพรม พิสุสงฆ์ทั้งหลายจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราประนามพิสุสงฆ์แล้วเธอมีความรู้สึกอย่างไรพระสารีบุตรกราบทูลว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงไม่โปรดความวุ่นวายมีความขนขวายน้อยแม้เราทั้งหลายก็ควรปฏิบัติเช่นนั้นสารีบุตร เธออย่าคิดอย่างนั้นแล้วพระองค์ตรัสถามพระโมคคัลลานะในคำถามเดียวกันพระโมคคัลลานะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคไม่โปรดความวุ่นวายทรงมีความขนขวายน้อยข้าพระองค์และท่านสารีบุตรควรช่วยกันปกครองพิสุสงในบัดนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละโมคคัลลานะความจริงเราหรือสารีบุตร หรือโมคลาณะเท่านั้นพึ่งปกครองพิสุสงฆ์แล้วพระองค์ได้ตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่ารู้ก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลกำลังลงน้ำจะมีภัยสี่อย่างคือภัยเพราะคลื่นภัยเพราะจาระเข้ภัยเพราะน้ำวน ภัยเพราะปลาร้ายบุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้นเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยพึงหวังได้ว่าจะพบภัยทั้งสีน่นี้ภัยเพาะคลื่นเป็นชั้นใดคำว่าภัยเพราะคลื่นนี้หมายถึงความคับใจด้วยความโกรธเมื่อกุลบุตรในโลกมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อนพระมรรจันท์ทั้งหลายย่อมกล่าวตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรนั้นให้ก้าวเดินหรือถอยกลับอย่างไร ทรงสังขติบาทและจีวร อ, อย่างไรกุลบุตรผู้บวชใหม่ก็รู้สึกรำคาญขับใจบอกคืนสิกขาสึกไปคำว่าภัยและคลื่นเป็นเช่นนี้ภัยเพราะจระเขเป็นฉไหนหมายถึงเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องเมื่อกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนให้เคี้ยวกินในสิ่งที่ควรให้ฉันในสิ่งที่ควร และให้ฉันในเวลาที่ควรกุลบุตรที่ออกบวชนั้นก็คิดว่าเมื่อเป็นขลือหัดปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้จึงบอกคืนศิกขาสึกไปเพราะมีความเห็นแก่ปากแก่ท้องภัยเพราะน้ำบนเป็นไหนหมายถึงกามคุณทั้งห้าเมื่อกุลบุตรออกบวชเข้าไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติ เห็นคฤลือฮบดีหรือบุตรคฤลือฮบดีเป็นผู้อิมเออร์บำเรอด้วยกรมคุณทั้งห้าจึงมีความคิดกลับสู่เพศคฤลือหัดบอกลาสิกขาแล้วกราวภัยนิว่าเหมือนภัยจากน้ำวนภัยเพราะปาลารายเป็นชนไหนหมายถึงมาตุขามหรือหญิงนั่นเองเมื่อกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชเข้าไปบิณบาตยังบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจา ไม่ดำรงสติไม่สำรวมอินทรีย์เขาย่อมเห็นมาตุคามผู้นุ่งผ้าหรือห่มผ้าไม่เรียบร้อยเกิดความกำหนัดยินดีจึงบอกคืนสิกขาศึกไปดูกนพิสุทั้งหลายไผ่ถึงสี่อย่างนี้บุคคลที่ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยย่อมได้พบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพิสุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคยิ่งนัก และสำเหนียกว่าจากระวังตนให้พ้นภัยทั้งสีประการนี้พระดากล่าวโดยย่อภัยของพิสุสั ม, มเณีมีสีประการคือเห็นแก่ปากแก่ท้องผล ค, ความอยากไม่ได้หนึ่งอดทนต่อคําสั่งสอนไม่ได้ขี้เกียจทําตาม 1. เพลิดเพลินทยานอยากได้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปหนึ่งมีความกําหนัดรักใคร่ในหญิงหนึ่งภัยทั้งสประการนี่แหละ อย่างใดอย่างหนึ่งคอยเบียดเบียนคุกคามย่ำยีภิกษุสามเณรอยู่เนืองนิด